ายตาบอแล้วไปป่ามัทางออกไมได้ป่าใหญ่มีต้นหน้าคูอยู่แล้วเดินตาบอชีวิตองราที่เราดเร่อรเรือที่เกินกัามนเสียาตอกในชิอันนี้ไมรณที่เราทํหายอย่เราไม่คิดไม่คิดหรอว่าบอดมีบอดอัไนไหมกรณีที่ตัวถาดอยู่เนี่ย แล้วแต่แเราชอบบางอย่างเราชอบแต่มันต้องยอมนะว่ามังอามีนะเหมือนอาหารนี่ยอมชอบนแต่อาหารทีกลายรางานยอมตอัดมันแนอาหารปรเภทนั้นันี่ชอบอาชีพบางอย่างชอบเราแล้วโอเคแต่มันขาดดุถ้าอยากจะทำคือคนที่ดีห้วยยอมทำใหเลย ไม่ว่าอะไรอยนี้เนี like คนที่มีเงินเหลือล้วอยากจะทำะ like like มันทำมันชอบันะขาคนก็ไม่ว่าฉันอยากทามันไปไปไปดูไนะอาชีพแบบเนี้ยบางคนทำจริงฉันจะขายของฉันแบบเนี้ยฉันชอบขายกาแฟฉัชอบฉันชอบบรรยากาศชันอเออเนี้ยฉันชอบจัดที่ใช่เราถามที่โซนมีคนมากินอาหารมันโอเคมันมันโอเคจะแต่งงานะั่าเยจะไม่สนใจแต่งงแต่งร้าตามใจแค่ไหนฉันไปสนใจเราว่าอี คนรู้จะตชอบบรรยากาศยังไงเอาเินรักได้ได้อธิบายวาต่อกไม้ทนี้วางพุไม้ตรงนี้มันจะจัดโซนโทีแบบนี้ใช่หมเหมือนว่าจะได้จัดอเมซอนแบบนี้โซนโซนเก้าีแบบนี้ทั้งๆที่จับมือขี่ขามีเลยไหมอเมซอนให้เราเข้าไปนีอย่างเงี้ยก็ได้จัดโซนไม่เป็นใช่ไหยถ้าจะยี่ห้อ อันนั้นมันจัดตามใจผู้ผู้ทมันไม่ได้ตางใจมันไม่ได้ตามความรู้สึกของคนที่เขทชองไม่ใช่หรือยังเมื่อเราไม่เคยทำวิสัยหรือเราไม่เคยไปสำรวจหรือเราไม่เคยรู้ว่าเจ้ารน้าทอ่เขาโยนเป็นเงินล้วยต้องรู้ว่าเานาทีของคงนแล้วไม่ดีกว่าโยนละไม่ดีกว่าโยนเงี้ไม่ดีกว่าตางาใช่ไหมแต่โยกลืมนะมว่าเจ้าหนาทีของคนเราวว่าเขาชอบแบบไหนบรรยากาศ่างไห ยอมกลับไปเอาพอาความรู้สึกของตนเองที่ยอมไปรับมาอย่างคุณรูต้ตรงนี้จยากฟังคุณรูตรงนี้แต่ยอมนึเอาพื้นฐานพื้นฐานเท่านั้นที่โยอมได้จะได้เปลี่ยนสถานที่ตรงนี้ยถ้าโยอมจะให้มัสอนฟอกับวัฒนธรรมของคนพื้นฐานที่เนี่ยอันนี้มันไเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันี้เป็นยอดอันนี้ฉันไม่ก็อยากวางไว้เดี๋ยวเรืเล่นมันยาวไงมีจริงแล้วมันต้องทำมันนั่งอย่างเช็ดนั่งนั่งนุ่ง น, นั่งตักเป็ที่ประเด็นประเด็นอะได้แต่แล้วมเป็นนี้ พอจะเข้าใจใไมฉันไม่อยากลงมาในเหตกว่ามันพูดแบบนี้ถ้าลงมาในเหตุมันชีวิตมันดิบดุริศแต่ชี้เห็นว่าตรงเนี้ยในอย่างนี้ไม่อยากไปทำย้อนต้องเช็คภายในเดือนเนี้ยทําไหนที่มันขาดคุณเวรจะรวมตัดใจวยอยากิอย่าก พ่อนะีหมเยอะเลมั้ใครนรนี้พูไม่ไ้นีามันยังไม่ไหวก็ต้องยอมรับมันนะอยฝืนอย่าฝืนถ้ามันยังได้ไ่งเนี่ยมัมีทพาร์กกทแล้วที่มันอาจจะเสียใจเข้่ใจละเหมือนคนคนแต่งงานกันมันจะไปกันไม่รอดเนะ มันจะได้เน่จะได้เวลาไม่ได้บางทีจะได้ไม่อยากจะทิ้งกนนาันหลาย่างนก็มันก็โผโไปกันมาอย่างนั้นแหละเข้าไปยิวคุยกันแล้วคุยกันนี่ก็จบลงอย่างไรยัดว่าเยมันมันมันไปไม่ได้มันต้องันต้องพักทานเลยีแล้วปีเราปีแล้วปีเราได้ยินก็มาตัดใจใจวันได้นะมันจบเลยนะตามเอาความรู้สึกไงกลับไม่เอาความเป็นิงมาคุย ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบ ม, ม, มันก็ไม่มาเข้าไม่หอาทางการเกี่ยวกัจริงมันน่าจะทํำบางเรื่องเลยแต่นั้นไม่ทำฉันฉันจะเป็นฉันแบบนี้อย่างเนี้ยตายก็ตาถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกตดการหล่อเลี้ยงอยู่นี้อำนาจมันจะเนี้ยสถานการณ์ที่เหตดการอะไรเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนไม่ต้องทันสถานการณ์โอกาสมันไม่ได้มาตลอด ถ้าโ อ, อกาสทาัานผ่านไปแล้วเราจะรู้สึกว่เสียดายดรืดดดอมันยังม่คว้าโอกาสนั้นเมื่อราลงเลยว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ชัดน่ไม่ใช่ชั้นเนี่ยอย่างัวอย่างเ น, นงว่าอาหารนันดีเป็นประโยชน์แต่เราไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบเด็ดขาดไม่เอาเด็ดแล้วก็ปล่อยมือเลยไปเพราะเลยเวลานนร่างกายเราไมแแทนที่เราจะได้ของดีเข้าสู่มันก็เลื่อนไปแบบนี้ เรื่องบางอย่างคนตัดสินใจรับไม่ตัดสินใจแล้วก็ดันพลังแล้วที่สุดจ่ิงจริงผิดหวังระยะยาวเลยมันไม่ใช่ระยะสั้นๆมันเป็นระยะยาวทั้งชีวิตนะครับนะครับว่าการบุคคลซึ่งซึ่งเราก็เคยเจอเป็นมาซึ่งเราน้าถ้าเราตัดสินใจอีกฝ่งมีอีกอย่างนึงเอามายก็อย่างโยมแม่โยมแม่เอามาเนี่ยตัดสินใจเอ่อเขาคุยกันมาไม่ได้ยินตอนนี้เปคือ โยมมีคนหนึ่งเป็นของกิจาการที่ของโรงศีลมาชอบโยมแม่แต่โยมพ่ออินโ่นมากก็ไม่ชอบโยมแม่นี่ไความเป็นจริงนะี่ยควรจะเลือกคนที่คนที่มีฐานะมันคงแต่โยมแม่เนี่จริงใจเนด่ยจิตใจพ่อพ่อแม่บอกให้เลือกทุกคนดูแล้วเาเป็นคนดีเนะี่ย แต่จริงๆีหอไม่ดีมันวัดไดน่ากินอม่ันวะ่าแค่สายตาได้กินอไม่ที่สุดจริงๆตรงนี้พอไปอยู่ทัีนอี่มันขันขายเป็นกายเป็นต้องเหนื่อยเหนื่อยอย่างมากมายทีเดียวแน่ต้องรบาดนี่เปตัว อ, อย่างนะในความรู้สึกเนี่ยในความรู้สึกต่างๆต้องรู้สึก น, น่าจะคนใช้หลักเขาไม่อยู่ความรู้สึก เขาอยู like so like ่ควารู้มืความรู้สึกยอมว่าเสียใจเหนื่อยลยอย่างเขาหอมอางนี้เลยจะตอบสัอย่างยอม็สียใจะให้ใครยอมเสียใจดถ้ายอมแม่อาความ้สึกความ้สกชบมาันทุทต่ถามว่ามีใครร ถา้าหาหาคนได้ไหยคนที่ช่างนานเรื่องนี้หมคนที่ถ น, นดัดเรื่อง น, น, นี้ก็ได้เราอาจจะชอบไปนี่แต่มันต้องตัดใจนยะถ้ายอมทําแต่ ไ, ยไมไยอมจะไม่เป็นยอมยอมสจะไม่เป็นเหมือนวันนี้เลยจะยไม่มาถึงหนทางนี้นนนแต่ตอนนั้นมันตอ น, นี้มันแรมาม อ, องอที่เพียวก็ไปดูนตัวที่ยมรับแต่อากจะมเป เราตงการ่จะตดี่จะทำแต่ถ้าอะไรมันเป็นประโยชน์มันโอเคมันได้สิงไม่ไม่คอชอบเท่าไหร่เพราะว่าเป็นประโยชน์มันจะสามารถออได้่กอนี้นี่นี่จะพูดแบบจริงจะได้ลอไงไปดูในะไรความเครียด ม, มันมันมัน โยมโยมเป็นคนไม่เปลี่ยนเลยอดีตยังไงอดีไปม่เปลียนคนทนตรงนี้ต้องแก้อาจุี่ที่มันเคยเคยปิดผ้าอะไรที่มันเคยอยู่ปกห้องยังไงแล้วละตรงนี้บทเรียนตรงนี้บทเรียนตรงนี้อ่าไปทำซ้นไปทำซ่ำ ทนี้ให้ต้เก่งเลยนะมือสองมือสองโยนเนี่ยแรงมือแนไม่ตางบอกบอกนี่กเลยโยนซึ่อใส่กับความรู้สึกเขาจะําซื่อใส่กับควา้เออเรยกว่ายนีมนเปลี่ยนเปลียนช่วเอีงยาก ี่จะดกินแต่มันจะลงงานลอยดไปเลยครนลเียไปคนเ่จะรู้จกยอมกันไปก็เข้าใจได้ัาเียแ เนี่ยจะให้เราสอบประเมินจะยังไม่ได้บิควมใมีพลังจมีลัในการท้ต้องร่วัง่นาี่ยวน่ะดีควรอรกัเป็นเพื่อน อยู่แต่งานจริงงอาสนดมันหลอกแค่แค่เดียวทันหลอกแล้วทําบไม่โดนหลอกก็คือไม่จริงจริงดแล้วก็ต้อไปสอบอีกครั้งนึางเพื่อความไม่ถกนฟังฟังทุกถ้าเรามองดีก็คือเนี่ยทำยังไงที่เราจะมองใ่หมเขียนทุก ด้วยที่ใจเราเห็นปัญหาอยู่ปัญหด้วยปัญญาด้วยใจที่เราไม่ติดทุกข์ใช่ไหมอ่างั้นงั้นมองโยมีทุกข์มองโยมเที่ยป็นทุกข์มองนยมละมีทุกข์โยมเที่ยวปัญหาไ่เป็นถ้าใช่ทํามนก็ยง้าเพราะอไรเพราะโยมไม่ได้ยากนลย ไม่จริงที่มองโยมเนี้ยดในมุมจกเขากระน่ำเลยจะเล่นเลนไม่ได้เพราะฉันไม่ได้เอาใจกับเแต่อันี้เพราะฉนอาาที่เมีจากมันต่างกันนะเหมือนยมเนคนเก่งในเรื่องการไปเอาความรู้สึกไปดูปัญหาข้างนอกแล้วใส่ไว้ในใจเนื่อโยมเก่งในได้การคูแต่ง แต่งุแต่งสุกไว้เป็นมีแหคือปัญหาของมนุษยและนี่จริงน่จะแต่งตกแต่งสุกแต่ยอมมาป็นแตุ่้งแห่งแล้วก็แตงตุงแต่งจนกลายเป็นร่องลึกแล้วก็ช้านปเด็นเนี้ยยอมเป็นคมีความสามารถสามารถแต่งตุ้งแต่งซุกจริงซึ่งความสามารถตรงนี้ถ้ามันเปลี่ยนอีกมุมหนึงแทนที่จะมาแต่งตุแต่งกก็มงแต่งุด ถ้มันเกิดขึ the middle, the the the the home, ้นห้ม the ันราโมดย์มีดให้สุขสมันให้เกิดขึ้นเห็นทุกน้าใจเป็นสุดมันจะเนท้ายแก้นด้ไมันอยากให้ทางออกได้แต่ตรงเนี้ยมันมีใครบอกวิธีนิเดียวเลยแต่ก่อนยมก็มาตามสงท้าทายมาตามความเชืเห็นคนเห็นญาติทุกพ่อทุกแม่ใครคนนี่รู้จากรูกแล้วก็ไปดึงความรู้เข้ามาในใจเราแล้วก็ปูนแต่งให้ โลกเป็นพวกโอ้ย อ, อย่างนั้นเป็นตัวเราเลยขึ้นมาเลยท่าน น, น, า น, นั่งนิ่งคนละคนท่านคนละคนกันจริงๆเลยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเรายิ่งๆเลยนะแต่ละท่องตลอดขึ้นมาลูปรับรูปราบรูปรับรูปรัอีกท่องนั้นผิดแต่ไปคิดว่าลูกก็คือลูกการไปเกี่ยวข้องไปทำหน้าที่มันก็ผิดเป็นไรแล้วมันผิดเป็นต้องไปพูกกับมันดมนีมันมันคนละเลื่องกันเลยนะถ้าเราเข้าใจญ่กันเองงานเพื่อสุวช้า มหยุดทางานยังแบ่งงานดตรงงานเอไว้ดีแล้วน้องผู้แต่งยงจเวลาไม่ถูกเลยเวลาไนงานก็ไม่รู้เวลาไหนทางานไม่ทางานม่ัวเลยอะเงี้ยห้ามวิธีอเงี้ยถ้าจะทางานก็ทำเราะช่วงงานยงานก็ติดช้าเลยแต่วันมันมีวิันเปิดตึยาไหมเมื่อทาได้แค่ไหน ก็ยู่มันอยู่ในนั้นแล้วก็เวลาจะทเปิดทิศัางอื่นก็ปิดทิศทางนี้ก่อนแล้วก็ดึงมาทรี่บร้อยทาถึงท่าได้ไหยทำเรื่องทานอันี้ได้ไมากบัญชีมันน่าจะเองนะเรื่องเบอเนี่ยมันน่าจะเองแล้วก็ทำจนจะเรื่อเรื่อยเ่อันาไหนที่มันยังไม่เสร็จแล้วก็มาือมาอกงอไรพก้มาออไรเเวลาการอยหม่ะต้องปรับปรุงตัวเองใหม่ ยังพาพาไปทำบุญแต่ยังกัวลเรื่องรูกไม่อย่างนี้ขําก้นอยู่นั่นแหละอะไรก็ไม่รู้เรื่อตกลงจะเอายังไงชีวิตน่ะความสามารถแยกล่านก็ไม่ได้แล้วทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องนี่ทำไมเป็นอย่างนี้น่ลักษณะแบบนี้ มันไม่ประสบความสำเร็จ น, นะพวกออทำอะไรไม่ทำให้มันอย่างเมีแต่อย่างมันดีสุดลิ้นชักไหนดึงที่มากตรวจของในิ้ชักทำทาท ำ, ท ำ, ทำาิ้นชักนั่นเองสุดถ้าจะหยุดหรือมันจบตรงนั้นก็ปิดเดคีอยร์เพราอจะหดิ้ชกักอนอย่าไ้ถอนมาสองสาลิ้นชักแล้วก็วนอยู่นั่นแหละในแบบนี้ นอกจากเม่ประสบความสำเร็จแล้วมันมั่วก็ใจเรามั่วไงมันจะเป็นสถบันมทั่วเลยคือเป็นแบบนี้สังเกตที่ประวัศาสคนประสบความสเร็จเนี่ยเป็นคนที่ทางานแต่ละอย่างทั้ง้นอื่นักบริหาอย่างนักธ e. ุริจใหญ่ไหมอะประสบความเป็นยิ่งใหญ่ไหมนานถึงเวลาที่จะคัก ลูกน้องโดนยิงขาขาแขนขาเน่าลงลงเนี่ยนั่งสงบนิ่งๆในในกองกองอาวุธทหารเจ็บร้องอกมาช่วยเขาเต็มทีเลยนะถึงเวลาเที่ยงวันจะพักนะ่หนดและกำหนดลนเลยตายในหนึ่งนาทีหรับทันีเลยแล้วตำรวจตื่นตืลยแล้วก็ทต่อในเรื่องนั้นเ้าทำต่อเต็มทีลนเรื่องและเรื่องคนจากเร่สวรเท่าไรทุกคนนะ ถ้าย้อนทำอย่านี้ได้ย้อวมสร์ควเนได้ย้ออยากระเสาความทุเดนไม่อยาง่วเหลวถ้าอยากรวเหลวก็ทาอย่างนี้ทากังวนหนึ่ง้นกังวเรื่งนี้ใจันไม่ยึดเหน่ยแข็งที่จีแข็งแค่ความเหงาแต่ว่ามันไม่แข็งในปัญญาในตปัญญาเข้าไปแทรกเลยควรทำไม่ควรทำยังไงมันแยกเพราะว่า แต่พ <f dragging> ูดค <ic> ่นี้มันไปทายากนะเนี่ยมันต้องไปบอกวิธีการรายละเอียดอีกแบนี้เลยถึงมียมมาทำอันนี้เราเกี่ย้าแล้วก็ยังไงังไงก็บอกขเพื่อจะได้ือยังไงไม่ไม่เสียโอกาสทีักเยี่ยมจะไดรูกกันวายมุโยมแกั ว่าตอนนี้พี่ดูจะเจ๊งไเพราะว่าปัญหามันมาพร้อมกันหมดมันมาพร้อมกันหมดหลักๆมันไม่ใช่ปัญหาของเราเราจะแก้ตรงจุดไม่ได้ปัญหาคนอื่นแต่ว่าเรามันมาหาเราแต่เราแก้ปัญหานั้นน่ะไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นก็ต้องลงคือคือตรงนี้เนี่ยเห็นพพูดว่า ัูสัตว์เลี้ยงมันตัวเล่ยเนี่ยอันใช่ร้อยเปอร์เซนเลยตัวเล่ย์วิ่งอยู่ในหวัวเนี่ยจุนอนไม่ได้เลยแบบนแจะทำไงตัวนี้ทำยังจะตัวนี้จะทยังไงตัวนี้ดูแล้วว่าพี่จะแก้ยังไงของคุณมากเลย <c oughs> จะไปแก้ะะปัญหานี่ยังไงเพราะเราจะต้นตัวเลขย์ก็ไม่ได้เราจะลุ้นมันก็ไม่ได้ไดเราจะนอะไรความจริงมันเป็นยังไงค่ะส่วนไอ้ตัวปัญหานี้ที่มันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่บ้านเราต้องแก้ตัวนี้นี่ จะพยาจริงไม่จริงยอมแค่อันแรกก่อนถึอัแรกที่ตัเลขยอมรู้จักที่แรกถึงเวลาพเดยต้องบอกใจเเวลาพักแล้วับหยิแล้วก็วงนมล่าอกเาพักดที่ไม่ใหม่ทำย่าแต่นั่นจะไม่ดีที่สุด เราตองเพียกรู้พติรรแล้วจะคิดแนวให้ว่าเรื่องอะไรเราตัวบ้าตัวเลขเราบ้ามันเกิด ไ, ไ, ไปแล้วตัวเลขมันก็คือตัวเลขมันเป็นสมมติที่มันมันสมมติเปขึ้นมานั่นเองไรขาดทุนมัก็คือสมมติชีวิตมันก็ยังอยู่ตอนนี้เสือ้อผ้าก็นีรองเท้าก็มีบ้านก็มีน้มีอาหารก็นี ชีวิตมันยังดีอยู่ในตัวเลขตัวนี้บัญชีตัวนี้การเงินอะไรทำมันไม่มีอะไรเลยเพีขึ้นสูงลงต่าเราบ้าเกินไปนะในตัวเลขฉะนั้นจะไม่ไปว่ากันนี้แล้วก็อยู่มียุติเรื่งนี้ตรงนี้ไดามรพอยุติเรื่องนี้หนได้ไอเรื่องปัญหาคือเรื่องของเขาหายโยมพโยมมานั่งตรงนี้นะเมื่อมนั่งตรงเนี้ยคนงคนมันแยกปัญหาไม่เป็น มันุษเรานี่เนะี่ยที่สุดจริงๆเนะี่ยเป็นคนอยากจะปากควำแล้วผม่ชอบแทบทำนะถึงแม้รู้ว่าตัวเองทําผิดก็อยากจะโยนให้คนอื่นรับไว้ก่อนหรือยากน้อยโยนปัญหาเราไว้ก่อนไอ้นี่เป็นเรปกติให้เราเข้าใจก่อนเราก็ใช้ปัญญาไปแล้วเมื่อปัญหาอยู่นอกตัวคนรยิ่งง่ายยเลย เพียงแต่ยอมใช้ความสามารถคือเอาปัญญาใา้รู้แต่อยาอาใจเข้ไปรับแล้วมันดึงความทุกข์จากข้างนอกมาใส่ในใจเราใช่ไหมฮะในตรเนี้ยเงต้องแก้ไหมก็คืออันแรกปัดวงจรมันให้ได้เวลาทำใจพักเวลาอะไรทนัอันที Leadership ่สองมันมาตลอดมาตั้งแต่สามาทำมาเยอะแยะเรื่องนี้ยอมเพิจารณารมันด้วยปัญญา ยังรู้ว่าอันนี้มันเป็นปัญหา <Gym. S 1> นอกตัวนึ่ไึมเมื่อเป็นปัญหานอกตัวและปัญหามันแก้ได้หรือไม่ได้ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เกมว่าเรารู้ว่ามันแค่ไหนอย่างนั้นแล้วก็ต้องรู้ว่าศัตยภาพเราจะแก้ได้แค่ไหนมันรู้แค่นั้นก็เรา้ใไหมจังหวะตรงนมันจะมีจังวะแล้วก็ต้องบอกเขาว่าคือปัญหาแค่นี้เอาไว้ก่อนมาแก้ในใจนี้นะ มันไม่สามารถดู่ลได้มันไเป็นหานอกหัซึ่งสักยภาพความสามารถเราไมสามารถดูแเไดอย่างที่บอกตรงๆว่าความยิ่งใหญ่ไมไเให้ใครมาดแเนียนคุณจะปวดก็ได้จะทุก์ก็ได้เพียนก็ได้จเอาไว้นไม่นะแต่ชันจะไม่ทุกด้วลยไม่ไม่บลวยเเรื่องอะไรเลยนี่ต้องแต่งตุ้งนั้นมาใส่เลยใหญ่เลแล้วก็ตุกแต่งตุ้มใช่ไหมยอมคิดง่ายๆ้วว่า การปรงแต่งทุกเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีความสามารถมากกวสุนัขจริงไหมสุนัขเนี่ยไม่มีนะมั น, ม, นมันได้รับความทุกข์ว่ามันเครียดทุกข์ผิด ท, ท, ที่เจอปวดหัวหรือดกน้ำตายเนี่ยฆ่าตัตายก็ยไม่มีนะแต่มันก็ทําได้อย่างนะเครียดอันนี้แปลว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถปรงแต่งทุกได้มากกวสุนัขและและทีนี้ประเดีนต่อมาคือ เมื of of right? so key, ่อเรามีความสามารถในการปรุงแต่งทุกได้ทําไมเราไม่ใช้ความสามารถปรูงแต่งความสุขให้เกิดขึ้นล่ะมันก็อันเดียวม่ใช่จะยึดเปลี่ยนมุมสิเรามีความเรามีสิ่งดีๆเยอะๆที่เราเด็กที่เช่นมองต้นไม้ต้องมีความสุขได้นะใช่ไหมมองต้นไม้มองภาพสวยๆมองสิ่งต่างๆมองอะไรต่างจัดสรรตรงนั้นวางนั้นหรือปูผ้าโต๊ะมันเรียบร้อยอะไรมันเยอะแยะหม ที่มันจะทําความสุขใจใเกิดขึ้นได้ได้เยอมากเลยใช่ไหมทําสิ่งที่ดีๆมีเวลาว่างอ่านหนังสือมีเวลาว่างสวดมนต์อะไรก็ได้แต่เด้อมันมี ม, มีไอเยอะหมดที่ความสุขของเราบางว่าเราอาจจะขับรถไปรู้เที่ยวไปกราบพระเจ้าในพระบูชแล้ ว, ลวมองมันคูมแต่งสุขเราได้อีกเยอะแยะหมดใช่ไหมละ่ะมันมีมันมีเรื่องเเรื่องเรื่องภูมแต่งได้เยอะแต่ว่าเราไม่ ไม่ไม่ค่อยนิยมในการบวชเลยเพรมองเห็เนเข า, า, าทิ้เไปย า, ากยอมฟังภาษาไทยไหมใค่ถามถามชอบสวนสวนวนนี่สติก็อยู่กับตัวแต่ว่าถ้ามีเวลาจะไปบวชถามไปทุกปีค่ะมีแต่ปีใชนไม่ได้ไปไมบวชอ่า ไปบัตนป่าอะไรนะที่เลยหลักสี่ไปบ้าป่าปูสันอ๋อปูเทียเหรอเข้าเข้รูเทียบ่อค่ะแล้วก็ไปเสียรธรรมสถานอ๋อไม่ชีสันติมันไปไปิงไม่ชี้ทสันิเดีรู้จักถ้างั้นโยมหน้ไปเอาวิธีอยู่เยนะนายเ อะอย่นี้มีสายมีจะให้ฟังเคอะรอมัอยู่แล้วมบเองกินนอนกินิเงกนนอเงนน้นเองกินนอนเองกนเองนอนเองนนอนงเองนอกินนองนเินอกิอนงนนอนเองกินนนนนองเอองนนนเนอเนนเกนนนกินนนเกอออนนเอน มีเพื่อนอยู่ที่กรุงเทพเพื่อนสนิทเขาแต่งงานที่รสองคนไม่ใช่พักที่ไหนเลยไปโน่นก็ต้องไปพักกี่บ้านเพื่อนไปอยู่บ่อยไหมไม่ก็ไปรุ่ไปมีทำกันละอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนหนึ่งไปสองสามวันวกับอืมนี่ยเพือนเป็นอะไรไปทุกเดือนนะบางที้าไปทุกเพื่อนบางทีก็สองสามเดือนกันทีที่นิยมอยู่ที่นิยมคูณทั้งหมด ใช่ค่ะนัน่งั่ดูเพราะว่าไม่เคยบริหารอะไรที่ทำงานร่วมกันทุกคนเขาเหมือนเอาเราเป็นจุดกลางพอมีปัญหาก็จะวิ่งมาหาเราือนเขาไม่ได้มองเหมือนเงินเงินพพูดค่ะว่าเขาไม่มองที่ตัวเขาเาจะปัญหาเขา น, นั่ไปดูนี้ค่ะ จริงๆยอมต้องตั้งเวามมั่นใจไว้ว่าแสดงมาเขามองมารแล้วเราเป็น โยมทั้นทา modeling, ่านมาภูมใจว่าโอ้เราจะเราจะใ้ทุกอย้าตามความสามารถตามสมรรนมีได้ท uh mal uh mm hmm. um> uh ี่นีแต่เราทำให้ใจที Krsna> ่เป็นสุขเปี่ยวน้องทีแอบดูใจริงยิงยมขาวเกยบข้อมูลน ดูาหนยโยมจมาสัารู้ขอมยมจะตอบเปียดเร็วีจะตอบเี่ยีเียอยังขายข้อมูลใช่ไคะยขาข้อมูลถ้าอย่างนี้ไม่ยโยมจนหาที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูลโยมน่เชื่อโยมปลยนเาะงจริงนะโยม ยอมยอมถ้ายอมมีข well ้อมยอมินช่องทางที and, and ่ดีที่สุดยอมกล้าที่ตัดสินใจเยแต่ตอนนี้มันมันหาทางยจทางออกอืยังยอมหาทางออกทุกอย่างมันีทางออกอมู่เลยนะเพียงแต่ว่าเราอะมองเหนมันไม่ทางมันเห็นทางออกแล้วนะอย่าย็นจดตรงินตอถ้าอยู่มันตายอยู่มันแย่ ยังเป็นขีดหลักการที่ว่าฉันจะยอมตาย <c oughs> ยังเป็นจรงจรฉันจะยอมตาย ม, มันหลอกนะเรไออทีท่ีคิดอยนเหมือนเพลงชาติไทยจะยอมตายหมายมัน่นเกียกนตจะเป็นทองหลังองค์พระิมารืนย้งคนที่เขียนเพลงนีคือยอมพ่องยอมอีเนี้ย ทำให้ยอดดี่เห็นเกอเอรงตรงตรงรงเห็่ไหมอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลเยยนั้นนัรรยายังเป็นรูปแบบข้อมูลแบบเนี้ยแบบสนทนาอย่นีทุกเรื่องแต่ปรเดิรนตอนนี้ย่ะาลังอยกให้ทำงเนี่ยเขาไปขอดเดี๋ยวประเดี๋ยว่าของมันเป็นหุ่พ้องวิธีคิดเป็นแบบนี้ เอวิธีคิดแบบนี้เพราะเรียนแบบนี้มามีสังมแบบนี้นมาอยู่สื่งแวล้อมแบบนี้มีทัศนคติแบบนี้จึงออกมาสภาพจิตใจที่เป็นแบบนี้พักแรกที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ถ้ายกไปแก้แก้ยัไ้ไงแก้ก็บอกเายนต้องอ่านค่อยคำก่อนนะบุคลิกภาพจิตใจนละความคแล้วบอกหมอเธอมีบุคลิกภาพแบบนี้เช่นว่าไม่กล้าตัดสุนใจอะไรก็ร้องคำสาตัวเชื่อผมไ ไม่กลเลยนะครวันก็เจอสะพานที่ใกลัวที่ใจกลัวเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะาเขก็เจอเนขาดความความรู้ฉะนั้นขาดความความรู้มันจะทให้จิตใจเนแบบนี้ด้วยลเป็การจิตใจออกนี้ชะนั้นยมก็ให้ความนั่นที่โยมโยมนั้นให้ความนู้พอให้ความรู้เขาไปเดสกุเขาก็ยังเป็นอันยงอันยีตอเนื่อง เราสามารถไปบอกเขาได้ววันนั้นฉันใด้มีข้อมูละรแต่วันนี้ะเะไ้มาดการาในกรณีงานแบบนี้่นาะนนนนนเด็กคขาบองมาเยเ ท, นนทีนี้มันมันสามาถรถที่จรงก็ได้อะไเลยหเห็นไหมว่าดีิจริง้ทั้งหมดเนี้ถ้าโยอผ่านก็ขาดพวกจยงบอกพกมองๆดมทั้งหมดแบบนี้ยงต้องต้องคำนึงถูกไหมโยไปฟังข้อมูลดีๆแ้วโยงจะจะแอกก็วันความะะววารู้ากาม อะไรเป็นความรู้อะไรเป็นความคิดอะไรประมาณอย่าี้ยไม่่าีเนาความรู้ประกอบกับความคิดเขีานทำความคิดเห็นประกอบการทวุนางอย่างมันอาจจะม่ได้ไม่ได้ยลถ้าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นแปลว่ามียมรู้ซะ20อร์เซแต่ยมเข้าปากเขีน0เปเซ็น80ใส่แยมไปสาคัญมากเลยครับไปที่เสียเนี่ยไหแต่ถ้ายอมสมมติว่าในเนี้ย ในงานเรื่องสมุิเล่มนี้ในงานที่โยงรวมทั้งหมดเนี่ยเวลายยงจะนําเสนออะไรกับใครหรือที่คนเกี่ยวข้องหรือคนที่รวมรวมลงทุนด้วยอะไรด้วยก็ต้องเลยโยงนาเสนอทั้งหมดข้อเท็จจริงอย่างไรเน่ะโยงยาวความินโยงไปใส่นะเวลาเราเราจะเล่าเรื่องพวกนี้เช่นลูกน้องคนนั้นเป็นอย่างนั้นบ้านเป็นอย่างนั้นการวางร้านการต้อนรับเป็นอย่างนี้คนที่เข้ามาเป็นอย่างนี้ เือ น, นที่เข้ามาไม่เข้ามาไงยอมอย่าพูดในแอบซีพูดแบบความรว้คือเห็นมโมโมองทั้งหมดเลยนะอ่านให้ขาแล้วก็คำข้ออ่านที่ขาความไปกินเป็นแั่ไหนโยกสื่อความกิงทั้งหมดเท่าที่สายยาภคของโยกจะสื่อนะพราะสื่อความรูปความความรู้ทั้งหมดเลยเสร็จถ้าโยมบอกว่าเอาแค่นี้เป็นความรู้นะต่อไปวามอ่น แค่เห็นว่าอันนี้เป็นความเห็นนะควรจะปรับกลุ่นี้ควรจะกแก้กขกลุ่นี้หรือควรจะางตำแหน่งตรนั้นควรจะให้มียาวี่แค่สคนต้อรองไม่ต้องพูดภาษาไม่นาฟัอะอย่างเงี้ยหังใหญ่ยืดตึงไปท้าย่่เป็นความเห็นนะแต่พูดคุคคอาจจะเห็นต่างก็ได้เห็ตนต่างได้ถึงได้เห็นต่างจนไม่โกรเพราะอันนี้มันเป็นความเห็นที่ฉันมองเอาความรูปไปฐาขข น, นาข้อมูลในการตัดสินใจมันเป็นความเห็นของฉนัน มอฟไหมเห็นโรครอยาบที่พนักงานมาความสะอาดพนักงานเกี่ยวยาวเลยหลอย่างเนี้ยแต่ในจุดแต่ใจุดหรือเกี่ยเรื่องของการใช้แอร์การเปิดไฟการดูแลอะไรก็แล้วแต่หรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมากมาแเกินตอนนี้รายได้มันมันน้อยแต่เาจ่ายมันเยอะเราจะตัดยังไเราจะค่อยๆลดยังไงจะทําให้มันรายจ่ายมันมันมันมันจะมันมันไม่เกิน โดยอะไรครับังไงนี่นก็อยู่ว่ายังไม่ให้ใจน้อยที่สุดยังไงในกรณีแบบนี้เราดูทั้งหมดว่าดูทั้งหมดดูภาพรวมทั้งหมดไปเสยบอกข้อมูลทุกคนนะครัแล้วก็วอบอกวาอย่างนี้ก็เลียกว่าเราพาคิดถึประก อ, อบความ ร, รู้ถ้ามานุษย <ừ> ์เราเนี่ยเอาความคิดถประกอบความรู้เนี่ยมันโอเคนะแต่โดยส่วนใหญ่มันเอาความรู้ประกอบความคิดถึงมันรู้แค่ รู้แค่เนีรู้แค่ห้าสิมันตามความเห็นแต่ห้าสิบนี้ยแล้วก็เลยแยกไม่ออกเลยระหว่างความรู้กับความเห็นแล้วมันเป็นจุดใหญ่ที่มันผิดพาดเพราะมันอยู่ในความเห็นเราตัดสินใจหรืออยู่บนความเห็นมากกว่าความจริงเช่นเราบอกว่าได้ฉันทาได้ฉันทาได้เชื่อมั้ยมีโยมคนหนึ่งตอนปีสี่สิบ ตอนนั้นรถกํานันงายเพียบปวดใช่ไหมมันมันฟองสบู่แปกไอ้เจ้านี้บอกว่ารู้ไม่นอนมีสู้ก็อเอาเงินของตัเวเองออกมาอัดตรงตงุมันานัง า, านสองร้อยคนเขาพากันรถเขาบอกว่าลดราคาไอ้เขาลดการผลิตลดลูกน้องแล้วก็ขายราคาสูง ข, ขึ้น <c oughs> ไม่สน ฉันเชื่อว่าฉันเห็นว่าดันอย่างเนี้ยอ4สีไม่เหลือไม่เหลือสุดตรง่การเป็นคนไม่ดีแม่ละพี่พอ่พอพ่อท่านงนั่นว่าเป็นมาปัญหาท้าทชีกูมุกโกรธข้มามข้าก็ปวงใจใจก็โมกี้รุนแรง แล้วพอมานยี่ยมก็ไปกระมดารเจ็ดดีิเจ็ดเจ็ดดตายเอเป็นเลยอ้นดสอง่าง้ถกตัดขานครับกตัดขาต้องมาเรีบเทียนะครนี่ไงคว่าอยู่กับเท้าเข็มขาเขาแม่แม่ นั่นไม่ไหวแล้วต้องยอมทด้ถ้าจะพูดตัวเจเองพนควาสมัยเด็กๆเนี่ยท่านอายุประมาณ้่ชอบวยบนเวที้ทสู้เขาไม่ได้นะขวีมือท่านสู้เขาไม่ได้แต่กำลังท่านสู้ได้แต่ท่านเขาบอกให้ชนยอมแม่นยอมไม่ได้ชนฝืนฝืน ถ่ายมัดถนถุนุ้นค้หลมไม่โดนาะทำจเสมอ้ได้แต่ผมที่ตาม่ายเยอะเลยหนักมากแล้วก็นอนโซยนให้ดวันแล้วานใหญรฟ้ไมได้ินดินเลยเนี่ย ไม่เห <GU> <the> ็นไงมันลองไงมันไม่ไหวแล้วยอมแพ้ระนั้นกนอมันไม่เห็นมีอะไรจะไปตัดสิใหม่ดีสัตย์สิ่คือถ้าเราประคองตัวเราเองใช่ไหมยอกเสียแล้มาควิกใหม่เลยใหม่เราจะจะยิ่งใหญ่นะโดยเราไม่ต้องเก่งตัวแล้วอีกเดือนนึงผ่านเราไม่ด้แล้วการทีขสูบส่้านทีจะเสียอะไรเราไง่ต้องการเสียย พูดอย่างเดียวแมเ่เสียเสียเนสะียหน้าวันนี้เราแขนี่ยนะหลักการานิด น, ดนดมันดีนแค่ชอนะ่องพูดนะเรื่องอื่น่าดูดนเรื่องค้แต่สินใิไทยือภาคเอเชมันมันมันไปพลังมึงเลยจริงไหมสนใจพลังมึงสิพคิดไดขนาดนี้ยอมมากเลย้นเนีเป็นโปรี่ อูกับความรู้มาแค่งครั้งยนความเนนะที่ต้องไม่ยมเนคจริงราจะมองออดาความรู้ประกอบความทิดเตันี้มันคนกันแล้วยกไ่ออกคนมาคุยเนี่ยคุยเรื่องนี่มันเป็นทีพ่อเพอะไรเนี่ยุยมวอความรู้นี้แค่ติ่งยังความจริงมันเนี่ย ต้องใส่ความเห็นเต็มไปหมดเกิดเห็นในบริเวณนี้เราเราเวลาจะคุยอยู่งานกับใครเนี่ยต้องคุยคุยความรู้นะอย่าเพิ่งเอาความเห็นเขาบอความรู้หรือว่าความเป็นจริงแค่ไหนบอกมาทั้งหเช่นมันเสียหายเท่าไรเดือนนึงจ่ายเท่าไรนันเท่าไรอะไรต่างอย่างนบอมาั้เดี๋ยค่อยคุยความเห็นแ่างเนี้ยมันไม่แล้วก็คุยเรื่องธรรมดาธรรมดานั่มนจะแยกกะนนะ คือเอาความรู้ว่าจาความเหนมาอกัถ้าใส่ความเห็นนัวใช่เอาความรู้มาอุ้กันทั้งหมดี่รู้แค่ที่าจิ็นแค่นี้นะรายหญ่แค่นี้รายลับแค่นี้คนงานเท่านี้ความเป็นจริงแค่นี้นี้อย่ารู้อย่างี้เท่าไหร่เล่าัมความียนมันจะเป็นอย่างไรนว่าแต่ความเหนใครจะย็ได้าก็คือความเนสามารถชย้ย จะทำรู้คือวมรูเป็นคามรู้แยกมีสองางงานก็จะมีคลิปไม่ครแล้วบางทีสิ่งที่เหน่อทุกไม่ใช่ตาดูตาเ่มแต่งนั่งปุ่มแต่งต้องเินตนารบางาพแต่เราพิมพขอวมนข้นี่กรู้่าเนี่ยน ไม่เป็นไม่ได้ทุกคนเนร้ายเนี่ย